พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตันตปิฎกอังคุตรานิกายเอกานิบาตหมวดที่สาเอตัทธะปาลิบาลีว่าด้วยเอตัทธะ ค, คือบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศฝ่ายพิกษุ 1. ปหนึ่งพระัญญโกรทัญญะเป็นผู้เลิศในทางรู้ราตรี คือรัตตันยูหมายถึงเป็นคนเก่าแก่เห็นเหตุการณ์มามาก 2. พระสาริบุตเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามาก 3. พระมหาโมคลานะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ 4. พระมหากัสปะเป็นผู้เลิศในทางกล่าวขัดกล่าหรือทุตะวาทะพูดยกย่องทุดง 5. พระอนุรุธทธะเป็นผู้มีเลิศในทางมีทิพยจักสุห 6. พระพัฒยาการิโคทายบุตรเป็นผู้เลิศในทางมีสกุลสูง 7. พระละกุนตกะพัฒยเป็นผู้เลิศในทางมีเสียงไพเราะแพระปิณโทลภพาระทวาชะ เป็นผู้เลิศในทางบรนลือสีหนาฏคือเปลงวาจาอย่างองอาจ9พระปุณณะมันตนีบุตรเป็นผู้เลิศในทางแสดงธรรม10พระมหากัจารนณะเป็นผู้เลิศในทางจำแนกอัฏฐะแห่งพาสิทโดยพิสดารสิอพระจุลปันธกะเป็นผู้เลิศในทางนิรมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ ส2องพระจุลปันธกาเป็นผู้เลิศในทางฉลาดในวิวัตตะคือธรรมะที่ไม่เวียนว่ายฝ่ายสมาธิ 13. พระมหาปันธกาเป็นผู้เลิศในทางฉลาดในวิวัตตะฝ่ายปัญญา14พระสุภูติเป็นผู้เลิศในทางมีอรณวิหารคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ที่ไม่มีค่าศึก15พระสุภูติเป็นผู้เลิศในทางควรแก่ของถวายทักิเนยะ16พระเรวัตต์คัิรวาิยะเป็นผู้เลิศในทางอยู่ป่า17พระกังขาเรวตัตตบเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาน 18. ปพระโสนะโกลิวิสัตเป็นผู้เลิศในทางปรารภความเพียร 19. ปพระโสนะกุติกันนะเป็นผู้เลิศในทางกล่าววาจาไพเราะย0สิพระศิวลีเป็นผู้เลิศในทางมีลาภสิบอ็พระวักกะลี เป็นผู้เลิศในทางน้อมใจไปตามความเชื่อคือศรัทธาที่มดุด22พระราหุลเป็นผู้เลิศในทางใครต่อการศึกษา23พระรัฐปาละเป็นผู้เลิศในทางบวช ด, ด้วยศรัทธา24พระกุณฑธานะเป็นผู้เลิศในทางจับฉลากเป็นองค์แรก สำหรับคำว่าสลากแปลว่าซีไม้เมื่อมีของถวายไม่เหมือนกันหรือไม่พอจำนวนแก่พระก็ต้องใช้วิธีจับสลากด้วยคุณความดีของท่านท่านจับสลากได้เป็นองค์แรก 25. หพระวังขีศักด์เป็นผู้เลิศในทางมีปฏิพาน 26. พระอุปเสนวังคันตบุตร เป็นผู้เลิศในทางทำให้เกิดความเลื่อมใสทั่วไป 27. พระทัพพระบรรบุตเป็นผู้เลิศในทางจัดเสนาสนะคือจัดที่อยู่อาศัย 28. ปพระปิลินทวัชชะเป็นผู้เลิศในทางเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดา 29. พระพาหิยะทารุจีริยะ เป็นผู้เลิศในทางตรัสรู้ได้เร็ว 30. พระกุมารกัสปะเป็นผู้เลิศในทางกล่าวธรรมะอันวิจิตด้วยอุปมา 31. อพระมหากฏิตะเป็นผู้เลิศในทางบรรลุปฏิสัมพิทาความแตกฉาน 32. พระอานนท์เป็นผู้เลิศในทางพระหูสุด คือสะดับตราบฟังมาก 33. พระอานนท์เป็นผู้เลิ่ในทางมีสติความระลึกได้ความทรงจำา34พระอานนท์เป็นผู้เลิ่ในทางมีคติสำหรับคำว่าคติแปลว่าทางไปหรือที่ไปอธิกถาอธิบายว่าตั้งอยู่ในบทเดียวเรียนได้หกพันบท จำได้ทุกบทตามที่พระพุทธเจ้าตรัสน่าจะหมายความว่าเป็นผู้รู้จักหลักการในการเรียนรู้คือเมื่อจับหลักได้อย่างหนึ่งแล้วแม้จะอธิบายยักย้ายในไปอย่างไรก็เข้าใจและจำได้หมดรวมความว่าเมื่อได้หลักเพียงข้อเดียวก็มีทางเข้าใจไปได้มากข้อ 35. พระอานนท์ เป็นผู้เลิศในทางมีทิติทิติในที่นี้สะกดด้วยทอธงสรอิีและก็ต่อต่าวสาอีนะครับทิติโดยทั่วไปแปล ว, ว่าความอดทนอัทธกะทาแก้ว่าความเพียรคือเพียรในการเรียนการท่องจาการทรงจาการอุปถาหรือรับใช้พระศาสดา36พระานนท์เป็นผู้เลิศในทางอุปถา คือรับใช้พระพุทธเจ้า 37. พระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้เลิศในทางมีบริษัทหรือบริวารมาก 38. พระกาลุทธายีเป็นผู้เลิศในทางรมสกุลให้เลื่อมใส 39. พระพักุระเป็นผู้เลิศในทางมีอาพาธน้อย 40พระโสพิตรเป็นผู้เลิศในทางระลึกชาติได้4ีอพระอุบาลีเป็นผู้เลิศ ใ, ในทางทรงจำพระวินัย42พระนันท ก, กะเป็นผู้เลิศในทางให้โอวาทแก่นางภิกษุณี43พระนันทะเป็นผู้เลิศในทางสํารวมอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ44พระมหากัปปินะเป็นผู้เลิศในทางให้โอวาทแก่ภิกษุ45พระสาคตะเป็นผู้เลิศในทางฉลาดในธาตุไปหมายถึงฉลาดในการเข้าสมาบัติมีธาตุไปเป็นอารมณ์ทำให้เกิดธาตุไปขึ้นได้46 พระราธะเป็นผู้เลิศในทางธทมให้เกิดปฏิพานในทางแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าส7ิเจพระมูขราชเป็นผู้เลิศในทางทรงจีวรสีหมองหมายเหตุนับตามทางที่เลิศได้47ิเจ็ดทางแต่ถ้านับจำนวนบุคคลจะได้เพียง41สิบเอ็ดท่านเพราะบางท่าน ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศหลายทางฝ่ายภิกษุณี 1. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นผู้เลิศในทางรู้ราตรีหรือรัตตัญยูเพราะเป็นภิกษุณีองค์แรก 2. พระนางเขมาเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามาก พระนางเขมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารออกทรงผนวด3นางอุปวนวนาเป็นผู้เลิศในทางมีฤิศสี่นางปตตาจาราเป็นผู้เลิศในทางทรงจําพระวินัย 5. นางธรรมทินนาเป็นผู้เลิศในทางแสดงธรรม พระนางนันทาซึ่งเป็นน้องพระอนุรุษเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาน 7. นางโสนาเป็นผู้เลิศในทางปรารภความเพียร 8. นางสกุลาเป็นผู้เลิศในทางมีทิพยยะจักสุ 9. นางกุณนฑนลเกศาเป็นผู้เลิศในทางตรัสรู้ได้เร็วสิบ นางพัฒากาปิลานีเป็นผู้เลิศในทางระลึกชาติได้ 11. อพระนางพัฒกากัจจานาหรือพระนางยะโสธราเป็นผู้เลิศในทางบรรลุอภิญญาใหญ่อธิกถาแสดงว่ามีความสามารถระลึกเหตุการณ์ในกับต่างๆย้อนหลังไปได้มากนับไม่ถ้วนส2องนางกิสาโคตมี เป็นผู้เลิศในทางทรงจีวรสีหมอง13นางสิกาละมาตาเป็นผู้เลิศในทางน้อมไปตามความเชื่อหรือศรัทธาที่มุดฝ่ายอุบาสกคือสาวกที่ไม่ได้บวช1พ่อค้าชื่อตะปุตสักและพันลิกับเป็นผู้เลิศในทางถึงสารณะ คือถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะรายแรก 2. อนาถปินฑิกะเขรหาบุตีผู้มีชื่อเดิมว่าสุทะตะัตัะเป็นผู้เลิศในทางถวายทาน 3. จิตตักเขรหาบุตีผู้อยู่น น, นครมัจจิกาสนเป็นผู้เลิศในทางแสดงธรรม 4. หัตถกะอาลวะกะ ชาวอาลวีเป็นผู้เลิ่นในทางสงเคราะห์บริษัทด้วยสังฆะวัตถุสี่สำหรับสังฆะวัตถุเรื่องของการสงเคราะห์สี่อย่างคือหนึ่งการให้สองการพูดไพเราะสการบำเพ็ญประโยชน์สการวางตัวให้เหมาะสมคือให้เข้ากันได้ตามฐานะหมหานามสัตยะ เป็นผู้เลิศในทางถวายของที่ปราณีต 6. ปอุคคะเขา้าฤหบดีชาวกรุงเวสาลีเป็นผู้เลิศในทางถวายของที่ชอบใจ 7. จอุคคตะเขา้าฤหบดีเป็นผู้เลิศในทางอุปถาคือรับใช้พระสงฆ์8สุระอัมพัทเป็นผู้เลิศในทางมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว เก้าชีวกโกมารพัทเป็นผู้เลิศในทางเลื่อมใสในบุคคลเจาะจงเฉพาะผู้ที่ตนเห็นว่าดีงามสิบขรือหาบดีผู้เป็นบิดาของนักุลมานกเป็นผู้เลิศในทางมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าฝ่ายอุบาสิ ก, กาคือสาวิกาที่ไม่ได้บวช ห น, นางสุชาดาผู้เป็นธิดาของกุดุมพีหรือเศรษฐีชื่อเสนียะเป็นผู้เลิศในทางถึงสารณะเป็นคนแรกนางสุชาดาคนนี้เป็นผู้ถวายข้าวมทุปายาตแด่พระผู้มีพระภาคและเป็นมารดาของยาสักุลบุตร 2. นางวิสามิคารมาตาเป็นผู้เลิศในทางถวายทาน มิคารมาตาคำนี้แปลว่ามารดาของมิคารเศรษฐีความจริงเศรษฐีผู้นี้เป็นบิดาของสามีของนางวิสาขาและค่อนข้างเกเรนางวิสาขาเอาความดีชนะจนบิดาของสามียอมให้เกียรติยกเป็นมารดา3นางขุดชุตตราเป็นผู้เลิศในทางสดับตรับปังมาก สนางสามาวดีเป็นผู้เลิศในทางมีเมตตาเป็นธรรมะเครื่องอยู่ 5. นางอุตตราผู้เป็นมารดาของนันทมานกเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาน 6. นางสุปววาสาทิดาของโกรยักษัตริย์เป็นผู้เลิใเาาา ศ, าลศนลในทางถวายของปราณีต7 นางสุ ป, ปียาอุบาสิกาเป็นผู้เลิศในทางพยาบาลไข้แปนางกาติยานีเป็นผู้เลิศในทางเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเก้าคฤหปตานีผู้เป็นมารดาของน ก, กุลมานกเป็นผู้เลิศในทางมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า 10. นางกาลีอุบาสิกา เป็นผู้เลิศในทางเลื่อมใสเพราะฟังจากผู้อื่นคือฟังผู้อื่นสรรเสริญพระรัตนตรยัยแล้วได้บรรลุโสดาปติผล